2.4.9. ตัชนียกรรมมะปฏิปัสสติกถาว่าด้วยการระงับตัชนียกรรม4 1 8ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัชนียกรรม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 ภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายสงแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนี้เอาละพวกเราจะระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรม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 ท่านทั้งหลายสงแบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูประงับตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนี้เอาละพวกเราจะระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูประงับตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น419ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง ในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัดชนิยกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัชนิยกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัชนิยกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ ขอระงับตัชนิยกรรมเอาละพวกเราจะระงับตัชนิยกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับตัชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูป ระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทรรมปฏิรูประงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น 420. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 แล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น421้ภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้ว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 ระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น422ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่ง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 ระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูประงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น